วันนี้เป็นวันที่สิบสองธันวาห้าสองเกือบจะเป็นวันสิ้นปีแล้ววันนี้เป็นวันทําบุญครบรอบพ่อคุบนหน่อยพ่ออาจา ร, รย์หน่อยหุยซวกนะลูกหลานบ้านตาดศรัทธาญาติโยมลูกหลานบ้านตาดนมาทําบุญวันนี้ดูละอาหารหลวงพ่อวัน อ, อน้ำโขงมันทะลักในวันนี้นะ <c oughs> น้ำโขงน้ำโขงมันเอ่อกันเถอะวันนี้อาหารมันท่วมพระแล้ววันนี้อาหารโอ้โหมาเล่นทอนทึกเลยทั้งอาหารครัวทั้งอาหารทำบุญพ่อของออาจารย์หน่อยแต่ถึงยังไงก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคละกูบาโพชเนมัตันยุตาะ รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอย่าให้มากอย่าให้น้อยเกินไปแต่มันก็ายากนะทามันเห็นมากแลยเกิดมันเบรกไม่อยู่างั้นแต่มันลื่นว่างั้นแต่รถถ น, นนมันลื่นมันเบรกไม่ค่อยอยู่ว่างั้นแต่แต่ถึงยังไงก็พยายามเบรกนะก็ให้รู้จักว่าวันนี้เบรกไม่อยู่ไว้วันต่อไปก็พยายามเบรกต่อไปก็พยายามอดไม่ใช่ประเด็น เอาอิ่มทุกวันไม่ได้นะกรรมาฐานถ้าเอาอิ่มทุกวันน่ยไปไม่รอดนะจอดนะตายนะฮะตายตายจากการเป็นพระนะไม่ใช่ตายอย่างอื่นตายจากการเป็นพระตายจากคุณงามความดีนะแล้ววันนี้เป็นวันทําบุญครบรอบสามปีผู้ที่มรณาภาพคือพ่อของอาจารย์นหน่อยพ่อของท่านหน่อย คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ว่าบิดามารดาเลี้ยงดูเรามาบิดามารดาเป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาเป็นอาจารย์คนแรกก็คือสอนตั้งแต่เราแ บ, บอ่อบตัวแดงนะร้องตักแง่ตัแง่นะจนใหญ่ขึ้นมา พอจะสอนอะไรได้พ่อแม่ก็ต้องสอนก่อนครูบาอาจารย์โรงเรียนท่านว่าเป็นบุพายาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกสอนให้รู้จักเดียงสาภาวะทุกอย่างอ่ะตุกพวกเราหลับตานึกดูก็แล้วกันเพราะเกือบพวกเราก็เคยเป็นเด็กมาแล้วเนี่ยแล้วก็เลยเคยเห็นเด็กอีกต่างหากเราเคยเป็นเด็กอีกต่างหาก เ, เราเคยเราเคยเลี้ยงเด็กอีกต่างหากพ่อแม่เลี้ยงเราเหมือนกันนะั่นะไม่แพ้กัน พ่อแม่เป็นเป็นบุพการีเป็นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนผู้มีอุปการะก่อนพวกเราเนี่ยนึกดูก็แล้วกันพ่อแม่อุปการะอย่างไรกับเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตายอย่างไรพระพุทธเจา้าเคยสอนนะบุพการี บุคคลผู้มีอุปการะ ก, นกรนกตัญยูกตวเวทิตาเราควรจะแสดงความกตัญยูอย่างไรทดแทนพระคุณท่านอย่างไรให้เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องได้คิดอีกเหมือนกันในหลักธรรมท่านบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงเราเลี้ยงดูเรามาล่วงควรเราเราควรจะเลี้ยงท่านตอบตอบแทนตอบแทนท่าน เมื่อเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกไม่ใช่ว่าพ่อแม่พูดว่ากล่าวให้นิดหน่อยอิลุมตมปองอิลุมตุมปอ ง, อปองอโกรธ ให้พ่อให้แม่มันไม่ถูกนะท่านเลี้ยงดูเรามาท่านมีสิทธิ์ที่จะดูดาาา่าภาคเก่าเราได้เราในฐานะลูกเราก็ต้องฟังเหตุฟังผลธรรมดาพ่อแม่เราก็เป็นผู้มีกิเลสมีโทสะบ้างมีอะไรมีอิดช้าบ้างกระธรรมดาจะให้รักลูกเสมอกันก็คงเจเป็นไปไม่ได้รักคนนั้นบ้างรักคนนี้นบ้าง ก็ไม่เป็นไรท่านรักท่านเลี้ยงเราดูเรามาแล้วเรายืนด้วยลำแข้งของเราได้แล้วเราพึ่งตัวเองได้แล้วจะมีอะไระนับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเพียงแค่นี้เราพอแล้วจากนั้นเราก็ส่แสวงหามาเอง เ, อเราอยากจะได้ดิบได้ดีอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะงามอยากจะเป็นคนดีมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมสังคมเราก็หาได้ เพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วนะอันนี้ก็คือให้เรารู้จักประมาณตัวอ เ, เองสรุปแล้วให้รู้จักประมาณตัวเองอย่าไปขออยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นอย่าไปพึ่งหวังพ่อแม่เป็นเด็กขี้ออยู่ตลอดอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือหน้าที่ของลูกของหลานของพวกเราทุกคนจะต้องคิด ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกถ้าตัวเองกินเหล้าเมายาสมเมลเทเมาแล้วจะให้พ่อแม่มอบทรัพย์มรดกให้แก่เราเราก็คิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าเรามีลูกขึ้นมาลูกของเราเกเรอย่างเรานี่เราจะมอบมรดกให้แกแกลูกของเราไหมเพราะนั้นเราก็ประพฤติตนให้สมควร อ่าเป็นคนดีสรุปแล้วไม่กินเหล้ า, ไ ม, ลาไม่เล่นการพนงไม่เล่นการพนันอย่างเนี้ยอันนี้เราเป็นประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเมื่อท่านตายไปแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ทอดทอดทิ้งเพียงแค่นั้นเมื่อท่านตายไปแล้วก็เออ ร่างกายของเราต่าง่หัวจุดเท้านี่เราได้มาจากพ่อจากแม่นี่ก้อนมรดกของท่านน่ยยังอยู่กับเราอยู่นะหัวจุดเท้านี่เราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อแม่เนี่ยแหะก้อนมรดกก้อนนี้ยังเหลืออยู่นะเราก็เอาก้อนมรดกกายวาจาใจของเราเนี่ยน ะ, ะทำบุญอสแสวงหาทรัพย์มรได้แล้วก็ทําบุญในพระพุทธศาสนาทำบุญสาธารณประโยชน์จากนั้นก็อุทิศ คุณงามความดีเออพ่อแม่ดวงวิญญาณของพ่อแม่สิงส่งจะติดอยูนะ่ณถินใดให้มารับสนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าออด้วยเถิดหรื อ, อ, รอว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภระด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้อันนี้คือหน้าที่ของบุตริดานะเพราะนั้นพวกเราต้องทาให้ถูกต้องนะถ้าทาไม่ถูกต้องแล้ว มันเดือดร้อนมันหาความเจริญไม่ได้หาความสุขไม่ได้ในการเป็นอยู่ของพวกเราเดี๋ยวก็ขัดขัดคล่องๆเดี๋ยวก็ย่องย่องยอง ย, อ ย, อยอเดี๋ยวก็ทะเลาะพิวดัดมันมีเยอะแยะไปถ้าเราทำไม่ถูกถ้าเราทำถูกแล้วราบรึ่นอยู่กับพ่อกับแม่กราบรื่นอยู่กับลูกกับร้านกราบรื่นราบรื่นไปหมดนั่นแหละการกระทาของเราถ้าเรียบร้อย สำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยถ้าว่าเรามีจะพูดไม่คิดไม่อ่านก็ไม่ได้เหมือนกันการกระทำของเราถ้าทำไม่คิดไม่อ่านก็ไม่ได้เหมือนกันการที่จะพูดเราต้องคิดให้รอบครอบก่อนพูดการกระทำก็เหมือนกันการที่กระทำสิ่งไหนก็ต้องคิดให้รอบครอบก่อนทำถ้าทำได้อย่างนั้นนั่นล่ะชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราจะ เป็นไปด้วยความราบเรื่อนตลอดไปนะแล้วก็พร้อมกันเมื่อคืนในหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมที่วัดหลวงปู่เหลียนท่านเคลื่อนศพเมื่อวานนะี่ตอนเช้าตอนเย็นประมาณสองทุ่มท่านสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแลท่านก็ให้หลวงพ่อเป็นองค์เทศองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปแสดงธรรมเมื่อวานเนะนี้ยอันดาแพรกหลวงพ่อก็เน้นหนักเรื่องศีลก่อนวนะ่าแต่พอโลกยุคนี้สมัยนี้ ที่เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะโลกขาดศีลไม่มีศีลธรรมศีลห้านี่แหละมันขาดมากๆไปที่ไหนมีแต่คิดฆ่ากันมีแต่คิดเบียดเบียนกันมีแต่จะฆ่าจะตีกันมีแต่จ้องขโมยกันเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่จะคดจะโกงกันถึงลูกเต่าเล้าล้านของใครเรื่องศีลกาข้อกาเมน่นยก่อไม่ได้เลือก ใครเป็นใครออันนี้ก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่น้อยเหมือนกันเรื่องโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงก็มากต่อมากอีกเหมือนกันอกินเหล้าเมายาปีใหม่ที่จะถึงนี่ก็อนี่แหละอได้เตรียมการเอาไว้แล้วเอเพื่อไม่ให้คนเมาแต่ทํำยังไงแต่ละปีเกิคนก็ตายไม่ใช่น้อยเหมือนกันลดละเสียหายไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะความเมาของคู่คนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องศีล เพราะทุกวันนี้พวกคนในชาติประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกขาดศินหลวงพ่อว่านะถ้าพวกเรามีศินแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลกของพวกพวกเราถ้าขาดศินมากๆถ้าขาดศินห้านะศินห้าประการนี่นะถ้าขาดศินห้าประการนี่นะหลวงพ่อว่าเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะคนในคุกทั้งหลายแหละจับเปลี่ยงตัวมาถามด้วยให้พวกเราจับเรลี่ยงตัวมาถามก็ได้คุณทำอะไรโดยมากก็ไปทาร้ายทำร้ายร่างกายเขาหรือพยายามฆ่าเขาอย่างนี้ก็ผิดศีลไปแล้วนี่แหละประมวลเขาศีลข้อที่หนึ่งคนหนึ่งก็เบียดบั้งขโมอยของเขาซึ่งนาตรับหลังป้นจี่อะไร อันนี้ผิดศีลข้อที่สองล่ะอข้อที่สามเขาเนี่ยนนะภาคปู่เย้าปังอะไรปังผิดุศีลข้อที่สามล่ะอพูดนึงก็ต้มตูมตนหลอกลวงโกหกเขาอะผิดศีลข้อที่สี่ล่ะกินเหล้าเมาเข้าไปขาดสติเออก็เลยไปตีไปชกไปต่อยไปป้นไปจี้ไปรถไปคดไปขโมยไปโกหกเขาอะศีลศีลศีลข้อที่ห้านะเพราะฉนั้นนัก โทษทั้งหลายแหลในหลวงพ่อวาเนี่ยสินห้าข้อเนี่ยแหละมันอยู่ในเรือนจำเน่ะผิดมากออืผิดสินห้าข้อเนะยถ้าว่ามีสินห้าข้อบริบูรณ์แล้วนักโทษเหล่านั้นคงจะลดลงได้มากทีเดียวหลวงพ่อวานนะให้พวกเรากลับตานึ้อเลกดูกันแล้วกันนะไม่ต้องไปไปต้องไปถึงกระถามกับผู้บัญชาการเรือนจํำหลงนั้นเถอะนึกนึกนึกดูกันแล้วกันออืนี่แหละ ศินข้อหของพระพุทธเจ้าศินหข้อของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอย่างมากถ้าเราเถ้าบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าใช้สติใช้ปัญญาใช้ความคิดที่เป็นธรรมแล้วก็ไตรตรองด้วยเหตุและผลยอมรับเหตุและผลแล้วนั่นแหละเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์มาก จากนั้นหลวงพ่อก็ได้เน้นหนักเรื่องตายแล้วไม่สูญ น, นะพอหลวงพ่อมั่นใจว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าตายแล้วสูญเนี่ยมันหมดทุกอย่างนะมันไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อีต่างหากมันเชื่อว่าตายแล้วสูญแล้วก็จบมันจะทําอะไรมันก็ทํามันกลัวต่กฎหมายทตนเองไม่กลัวบาป ค, คนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะมันจะตายแล้วสูญได้ยังไงถ้าเราอยากจะรู้อ ย, อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ต่างๆหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของเราในยนุคนี้สมัยนี้นะจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราที่เราให้เคารพรักนับถืออย่างองค์หลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยไปถามเลยสิตายแล้วสูญไหมจะสูญได้ยังไงสิ่งที่ไม่ให้สูญมันมีอยู่แต่ร่างกายเนี่ยทุกคนเนี่ยตายแน่สูญแน่เหมือนกันเด้เอผลที่สุดก็ เผาไฟเสร็จแล้วก็ยังกระดูกพอกระดูกแล้วยังมาผลกระดูกโยนเข้าไปนี่ให้มันเป็นลมไปเลยก็ยังได้หมดศูนย์จริงๆว่างั้นแหละนี่แหละร่างกายมันศูนย์แต่ว่าจิตใจเนี่ยตัวนามธรรมาตัวนั้นะแต่ตัวที่รู้รู้อยู่เนี่ยมันไม่ศูนย์นะถ้าเราอยากจะรู้ก็นั่งภาวนาด้วยสิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วมันแยกกันได้อย่างชัดเจนเลยว่างั้นเหมือนกับ ไข่กับจานอย่างนั้นล่ะหรือมะม่วงอยู่ในจานอย่างนั้นล่ะหรือคนเหมือนเหมือนกับพรถกับคนขับรถอย่างนั้นล่ะเหมือนกับน้ํากับน้ํามันอย่างนั้นอ่ะมันแยกกันมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันอาศัยกันอยู่มันวางด้วยกันอยู่แต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็เหมือนกันน่ะน้ําำธรรมกับรูปธรรมเนี่ยมันคนละอ่านกันตัวไหนแตกสลายตัวไหนตายคือร่างกายเนี่ยตายแน่เหมือนกันแต่แต่น้ําำธรรมคือจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นไม่ตายถ้าเรานั่งภาวนาถ้าทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจิตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้เพราะฉะนั้นพวกเราฟังเอาไว้ถึงจะปฏิบัติไม่ได้ก็ฟังเอาไว้จากนั้นวันดีคืนดีวันไหนก็วันนะ่ะให้พวกเรานั่งภาวนาดูเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าเราไม่ป so ฏ okay, so like ิบัติแล้วจะไม่รู้นะเเผอจะไม่เชื่ออีกต่างหากไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเรานั่นแหะเห็นสายไฟอยู่นั่นไฟฟ้ามันมีนั่น่ะมันช็อตนะเฮ้ยไม่เชื่อมาหรอกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราไปแตะเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นล่ะเราจะเห็นลิฟไฟฟ้ามันมีเพราะงั้นนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราถ้าเราไม่ทําบาปก็ไม่เป็นไรเข้าไม่เชื่อหรอกก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทําบาปเราทําคุณงามความดีไปเรื่อย ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราทำกรรมชั่วเข้าไปนั่นะกรรมชั่วตอนนั้นหละมันจะมาพาจิตใจของเราไปสู่ทุกขติไปตกนรกบกไม่จากนั้นก็มาเป็นเปรตออกจะเป็นเปรตแล้วก็เป็นสัตว์ที่ระชานลบะบาดเห็นไหมสัตวิระชานมากไปมหาสารไม่รู้ว่าพันไหนตัวพันไหนไม่รู้กี่อย่างตัวกี่อย่างจากนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมนุษย์ยังไม่เหมือนกันเ่พวกเราสังเกต ด, ดูไหมหูหนวกตาบอดคาามาใบเสียจิตเออพวกโตโตเตเตมีถึงเยอะแยะทำไมมันเป็นมนุษย์นะเพราะกรรมกรรมชั่วพามาเกิดแต่ลักษณะอย่างนั้นเราก็เหมือนกันเยเราทำไมไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราทำไมไม่ไม่ร่ารวยเหมือนกับคนอื่นเขา เพราะชาติที่แล้วเราทำกรรมมาขนาดนี้เราได้ขนาดนี้เราจะพอพอใจขนาดนี้เหรอก็ไม่ควรไม่น่าจะพอใจขนาดนี้ควรจะให้สูงกว่านี้เนะเมื่อสูงกว่านี้เราจะทำยังไงเราก็สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลของเราเตรียมเอาไว้เหมือนกับเล่านี่พอขนาดนี้พอเราพอเพียงอะไรอย่างพอแล้วพอแล้วก็เราก็ทำไล่ทานาทารั้วสำสวนกินเป็ น, นวันๆไป เท่านี้พอแล้วเหรอ อ, อ่ารยไหมแหละมันอยากจะรวยกว่านี้ถ้าอยากจะรวยกว่านี้เราก็ต้องขยันอา่าเราก็ต้องหาทรัพย์เพื่อเอาใช้ในอนาคตวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนะ่ยบุญกับเงินเฮ้กับทรัพย์เนี่ยมันคล้ายคล้ายกันนะนะั่นแหละแต่ทรัพย์สมบัติมันมันหยาบกว่าแต่บุญกุศลมันละเอียดนะมันละเอียดเมื่อสั่งสมเข้าไปนะเมื่อทําเข้าไปแล้ว มันเป็นพลังนะ เ, เขาว่าพลังการนี้มันเป็นกําลังผักดันจิตใจของเราลึกๆทําให้จิตใจของเรามีพลังจิตใจของเราทําอะไรมันทะลุปุโปร่งไปหมดมองเห็นอะไรเ อ, อมันมองได้มันทําอะไรมันกระราบรื่นไปด้วยเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีบุญนะถ้าเราเป็นคนมีบาปทําทอะไรก็ขัดขัดค่อนข้องยุ่งยุ่งเยิ ง, ยง ทำอะไรก็มีแต่คนดึงแข้งปัดแข้งปัดขาของเราผลที่สุดไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรเพราะบาปอากุศลให้ผลนะเพราะนั้นมองไม่เห็นหรอกตัวบาปตัวบุญ เ, เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นพลังนะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะสั่งสมบุญกุศลคนที่ทำบุญกุศลบุญกุศลนั้นนาสุขมาให้ปุญญาิประโล ก, กัตสมิง ปฏิถาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าฮะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทบุญกุศลบาปบุญคุณโทษมีจริงตายแล้วไม่สูญคนที่มีศีลห้าตามปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความสงบร่้มเย็นเป็นถุกพวกเรานั่งหลับตาคิดดูให้ดีก็แล้วกัน เ, เป็นอย่างนั้นใหม่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจนะ ครูบาอาจารย์ท่านมั่นใจถ้าคนที่มีศีลธรรมแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดอย่างน้อยก็ตัวเองก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีพิษไม่มีภัยผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่มีพิษมีภัยในกลุ่มในหมู่คณะก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เพราะว่าเป็นผู้มีศีลธรรมถ้าคนขาดศีลธรรมมากๆถึงจะลูกกับพ่อกับแม่ก็ไม่ไว้ใจกันพราอเหตุไรเพราะไม่รู้ไม่รู้มันจะมาไม้ไหนว่างั้นเถะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อพวกเราเควรจะยึดถือเป็นทางด้าน จ, จิตใจสาระของชีวิตอของพวกเรานะคืออะไรคือศีลธรรมนะี่แหละถ้าพวกเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้นะชีวิตของพวกเราคิดดูให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าพวกเรามีศีลมีธรรมในใจิตในใจแล้ว มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแล้วนั่นแหลอาสาระของชีวิตอของพวกเร า, เาพวกเราจะยึดถื อ, อจะยึดอมั่นถือมั่นในจุดนั้นได้แต่นอกจากนั้นและใหมล่ล่ะจะถือว่าร่างกายเป็นของของเราอีกสักวันหนึ่งก็ล้มเหลวที่จะว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเรา อีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากมันไปอยู่แล้วแล้วอะไรที่เป็นสาระของชีวิตความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรนอกจากชำระใจของตนเองแล้วไม่มีอย่างอื่นในหลักของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านทา ย, ยาทโยมทุกคนนะจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเอาไว้เพื่ออนาคตนะ พระพุทธเจ้าท่านก็นสั่งสมทีละน้อยทะาน้อยเหมือนกันจนได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันพวกเราก็สั่งสมไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกันผลที่สุดก็เหมือนกับน้ําฝนตกลงมาจากอากาศตกลงมาใส่ตุม่มใส่โอง่งทีละเม็ดละเม็ดเท่านั้นน้ํายังเต็มตุ่มเต็มโอ่งได้เพราะเหตุไรเพราะน้ําฝนมันตกมากมันตกไปบ่อยนี่ก็เหมือนกัน่ะ พวกเราสั่งสมบุญกุศลเรื่อยๆบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราก็เต็มเปี่ยมจากนั้นก็บำเพญ็ญจิตตภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าไปก็เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาณาคาจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแนหะอ น, นั้นคือแดนสุดท้ายจุดเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า เป็นจุดมุ่งมา่นปราถนานะเป็นจุดหมายที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไม่ให้ติดอยู่ในโลกนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้สอนให้ติดอยู่ในโลกสอนให้หนีจากโลกไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าพวกเราเกิดมาพบนาชาติห น, นักเหมือนกระชาตินี้แหละไม่แพ้กันนะกินแล้วก็ถ่ายถึงอาหารอร่อยขนาดไหนะกินแล้วก็มาถ่ายพอถ่ายแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็หิวอีก แล้วก็โศกแสวงหาทรัพย์อีกอีกไม่นานแล้วก็แก่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วเกิดมาอีกเกิดมาอีกก็ต้องเรียนหนังสืออีกเป็นเด็กเป็นนมขึ้นมาอีกทําการทํางานอีกหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกอมีลูกมีเต่าอจากนั้นก็แก่แล้วก็ตายอีกเกิดมาอีกดูๆแล้วมันน่าเบื่อน่ะมันน่าเบื่อแต่มันไม่เบื่อกิเลสอยู่ในจิตใจของเราไม่ให้เบื่อเพาะงั้นะ มันเบื่อเบื่ออยากอยากอยากอเบื่อเบือย่างนั้นนะมันเบื่อไม่จริงอ่างนั้นเถะเบื่อแล้วก็อยากอยากแล้วก็เบ haut, ื Lawrence, ่อเบื่อแล้วก็อยากพอมันกินอิ่มแล้วก็เบื่ออ่างนั้นเถอพอมันหิวมันก็อยากอีกงนั้นแ่ะนี่แหละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉนั้นผอให้พวกเราปฏิบ <sweetness S 2> ัติทำเข้าสู่จิตใจแล้วทำจะรู้แจ้งเห็นจริงนะจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายจริงๆร่างนั้นแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆริงใจากนั้นจิตใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้นะ ตอนนี้ไปตั้งจิตุทิศ ส, ส่วนกุศลหน้าวันนี้นะคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรขอให้ดวงวิญญาณที่เรามุ่งมา่นปรารถนานหรือว่าเราพวกเราลูกหลานได้มาทําบุญในวันนี้ขอให้โยมพ่อโยมปู่โยมยา่าโยมตาโยมยายของพวกเราใครมารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ให้เราน้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กว้างๆไปเลย อเอเผื่อญาติพี่น้องทุกคู่ทุกคนแต่พร้อมที่จะมารับโฉนบุญศฉนกุศลในวันนี้ก็ให้มารับพวกเรายินดีอที่จะให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่มารับบุญกุศลในวันนี้นะถ้าเฉพาะเจาะจงมากก็ไม่ได้เลยเหมือนลุงเจ๊กอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะลุงเจ๊กเนย์คือเป็นน้องหลวงปู่จามเป็นน้องชายโยมพ่อของหลวงพ่อเนอี่ย พอน้องชายอีกคนหนึ่งเขาตายลูกหลานเขามีไนงะเขาก็ทําบุญอุทิศเสร็จแล้วเขาก็บอกขอให้นายจุม้มผิวคํานางดวงผิวคําได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าลูกหลานด้วยเถนะินแต่เขาไม่พูดถึงลุงเจ๊กะนะ่าลุงเจ๊กก็อยู่ในบ้านเดียวกันนะเอพอเสร็จแล้วพ่อพระให้พรเสร็จเท่านั้นแหละผีลุงเจ๊กนี่เข้าสิงคนเลยเหมือนกันเนะ เขียนเียนหน้าด <him> ูแล like, so no ้ว like ่งั้นเข้าสิงคนในเดี๋ยวนั้นเลยพอสิงเสร็จแล้วอาการลุงเจ็กเป็นยังไงสมัยก่อนสมัยเป็นโยมนละอาการนั้นออกมาทุกอย่างเลยว่างั้นเขามองเห็นเขารู้เลยอันนี้ลุงเจ็กเด้เนี่เขาว่างั้นนะลุงเจ็กเข้าสิงแล้วลักษณะอย่างนี้เขาว่างั้นต่ก่อนก็ไม่เคยมีท่านก็ยอมรับเลยผีตอนนั้นก็ยอมรับใช่กูนี่แหละว่างั้น เออเป็นลุงแจ็คจริงเหมือนกันเถอะล้วทําไมอ่ะลุงทําไมจึงเข้ามาสิงเขาลนะ่ะบอกว่ากูเสียใจมากเมื่อกี้นี่ถูกล่าวคําบุทธส่วนกุศลนะอบอกแตู่้ใหญ่จูงกับอีดวงเนะี่น้องสะพยน้องชายกับน้องสะพ้ยไม่กล่าวถึงกูเลยกูนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนพอแรงไม่แพ้เขาแต่กูให้อดกูอดกูอยากกูไม่อดไม่อยาก ก, ยากูมีอยู่มีกิน กูได้ทำบุญทำทานไว้อยู่แต่่ากูเสียใจอย่างมากที่ลูกหลานไม่ไม่ลำาลึกถึงกูกันะ <c oughs> ไม่ใช่ธรรมาดาหรนะือผีอย่าง้นี้ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาทำบุญในวันนี้ให้อุทิศน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลทุกดวงวิญญาณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดดวงวิญญาณไหนที่เป็น ญ, ญาติโกโหติกาในอดีตชาติในปัจจุบันชาติ ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกจากหลานจากผู้ค่าทุกคู่ทุกคนเลยเทินคิดในใจกว้างๆอย่างนั้นเอาไว้นะ